พูดถึงนั่นความเป็นเศรษฐีเจ้างที่มีเงินฟังมายดังเขาสมมติกันนั่นตรงนี้เขามันมีแต่ความสบายในใจของเขามีมากอย่างทางแถวๆนี้มันปิดหนีสิ้นพลุมพลังนี่นของแม่ค้านี้นาก็เป็นของตัวรูปสวนเป็นของตัวทำของตัวได้มากมายแม้ว่าแผ่ขเขาเป็นเนื้อผิวหนังเขาเองไม่มีใครมาแบ่งมาแย่กมากขูดมาลีถ่ายของเขาไป ส่วนภาพกลางก็เนะมีเป็อย่างนั้นนะภาคกลางภาคอีสานมันมีดีอย่าส่วนมากเขามีสมบัติเป็นของเขาเป็นเลือดส่วนแม่น า, างก็เป็นของเขาเองเขาไม่ขายทำให้สักกี่แสนกี่วันเฉพาะอย่างมันตายด้วยแล้วเลยไม่ขายทำให้ขึ้นสักี่แสนแปลงสักี่แสนโอ้ยเืินแสนนันกินกี่วันวะเนี่ยนานี่กินมาได้แต่พ่อแต่แม่ม ห, หมายถึงบอก ไม่มีเงินแสนเมื่อมีเข้ากินแล้วก็สวาวก่อนให้เดืยวร้อนเงินแสนแท้ไม่กี่วันหมดเพราะสิังนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งคงทนถาวรเหมือนนาเนี่เขาคิดกระถุอเพราะเขาต้องไ่ขายของขายทั้งหลายแต่วงัวชาหักอย่างนี้ ทำภาคกลางรู้สึกจะมีแต่นาเช่าถึงเวลาก็มาตักมาตัวมารีดมาไถาแล้วก็จะพูดไม่ออกเจ้าของมีคนเยอะนะภาคกลางนี่มีมากมั่ทําอย่างนั้นไม่ใช่นาเป็นของตัวอมีแต่แล้วบ้างก็ทําทั้งนั้นถึงเวลาเก็บเกี่ยวเก็บดอกเก็บผลเขามาเอาอย่างหน้าตาเฉยเนี่เขาเรียกวคนกลางคนกล า, างตอนนั้นขาย คนราคาคนกลางมาซื้อดิติด น, นี่เขาเข้าข้าวเขียวในนาถูกมากเขาสร้างตีรามั่นทองกี่ช่านหนึ่งท่านส อ, อ, อ, องชั้นมียี่สิบกว่าชั้นอย่งเมืองไทยนี้เราจะเข้าใจว่าเขามีเงินมีทองเป็นของเขาแล้วเขามาสร้างโดยไถ่ยเยอะนั้นเป็นความเข้าใจผิด ไปกู้ธนาคารมาโหดอกเบี้ยจมไปไปจมไปเลยหามาไม่ทันล้มแจ้งมีเยอะทีฆ่าตัวตายผูกคอตายเพราหาไม่ทันมีกันมากมายพอเราเห็นรูหลานจะว่าเขาเห็นเจ้าหน้าจับตาเจ้าสมบัติเงินทองถ่ายเดียวมันถูกความจริงแล้วพวกนี้ส่วนหน้ามีจะไปเที่ยวทำเงนิน ผูธนาคารเข้ามาเลยไม่แน่ว่าสี่สิบล้านสี่ร้อยล้านทำงานใหญ่ๆมันต้องานทับงหดูธนาคารเขาต้องประกันที่หาเขาไม่ไรเขาก็กรีบรีบเลยเสร็จแก็ความคิดดีหลังคาตัวเเรื่องวัตถุต่างๆ เป็นทำราจิตใจได้เพราะจิตใจเกือหันเห่อมใครก็อยกัดมีหน้ามีตาอยากมีเสียชีวิตเสียจิตคุณไปที่ไหนมีคนมาก้าถือตาถือเป็นความสุขมันสุขอะไรชั่วขนาขนาดอย่างเขายกแก้วอยู่นั่งคิดถึงมันผมดูดูขึ้นวิญญาไม่ดูพวกมองคนในนี้ร้ายแล้วมองดูนี่คุณนี่ความจิ ต่างคนต่างยกแก้วขึ้นมาแก้วชุราแก้วอะไรอ้วดโลกลเขาถ่ายรูปพิมพ์ยืนยิ้มแย้มแจ่มใสมันจียาประดับร้านต่างมาทำตับคู่ชั่ววินาทีกันเตอนนั้นทางพูดคู่กันไปทางคู่วุไปทาง ค, าคิดถึงเรื่องความลำบากความจำเป็นเรื่องของเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินนี่ท่าเหมอนไปที่อยู่ทีวิาใจ คุยก็คุยเ ไ, ไปอย่างนแยงแฉกใช้กับกันกเปนประดับร้านไทยมาคุ่นเป็นต้นเป็นโคนเป็นฟุนเป็นไฟโลกหาความเย็นที่ไหนถ้าเราคิดให้เอียดทั่วถึงจริงๆนี้ไม่งั้นจิตใจไปคล้องไปแล้วจิตใจไปคล่องไปแว้ที่ไหนก็กาอฟืนเก่อไฟให้จบของทังรับไม่ได้ก็ ถ, ถูกถูมันลากมันไถ่ไปฉลองเปลือกเปิดไปไม่มีเนื้อมีหนังจิตจู๋ จริงในเตือนหาวายเตือนพูดเกี่ยวกับโลกโลกโลกก็เป็นสิ่งที่จิตใจของพระติดอยู่แล้วทำไมจะมามาเจรหญให้เข้าใจในสิ่งนั้นบรลายหายสงสัยเพรมันเป็น่ังนั้นโลกนะดังนั น, นจริงๆว่าโลกยันมีผู้ใดขอเ ส, สียนะความรวยสมบัติเงินทองมากน้อย แล้วได้มาสมบวังก็มีไม่สมบังคนมีทั้งผู้ที่สมบังทั้งผู้ไม่สมบังสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็คือความสุขใครได้ความสุขมาอวดกันบ้างไม่มีมันดา่าเรื่องความทุกข์เหมือนกันหมดนะว่าคนมีคนตนคนโง่คนตนอะไรนะคนมีความสุขไม่มีเพราะจิตใจมันวุ่นวายมันเดือดร้อนจุดแห่งความสุขก็อยู่ที่ใจ ในขณะเดียวกันเมื่อมีความสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นผู้แทนสุขอยู่นั้นทับหหัวใจใจรับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์สุขทุกข์เป็นภายในใจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากไม่แสดงให้ใครเห็นง่ายง่ายจะเผาขึ้นอมันก็ไม่รู้หน้าสีดหน้าซียวหน้าดําหน้าเขียวไปเวลามันมีเป็นบงมากๆดีไม่ดีเป็น โรคเสื่อมะโลคประสาทเขาว่าบา้าย่ำย่อมบา้าอ่อน่อนตอนนั้นบา้าใหญ่เลยบอกเขาสิแต่ภาวันพิจารณาให้ถนัดชัดเจยเราจะมีแต่จะไปถ้าเจอกิตมันติดมันค้องอยู่อะไรเห็นสําคัญว่าอะไรดีเอามาคลี่คลาดูให้เห็นชัดเจ น, นใจจะได้หาตรงใสอย่าฝืนความจริงให้พิจาณาตามความจริ ง, งธรรมชาติที่ฝืนความจริงคือกิเลส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 ไม่มีอันใดเหนือนะสติปัญญาต่อได้สติปัญญาเกิดกับใจแต่เป็นเครื่องรักษาใจได้ดีมากจนถึงขั้นบริสุทธิ์ได้กพราสติปัญญาโดยสายความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่เป็นหลักสาคัญตั้งแต่ผู้ปฏิบัติตัวเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองขออย่าให้เป็นใจิตใจเราแลแบบหลักปากที้ไฟคอยแต่จะล้มเอ็นอยู่เอ็นนั้นเองนี่ไม่มีลมมาแตะมาต้อง ก็เอนนู้นเอ็นี่อยู่พอลมโชยมานิดหนึ่งล้มตูมลมตูมลมลมก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ทางตาทางหงูทางจมูกทา ง, ง, งลิ้นทางกายผ่านเข้ามาก็ผ่านเข้ามาที่ใจที่กําลังโยกทอนอยู่นั่นอนอกจากโยกทอนในการส่ะแสงหาอารมณ์ต่างๆแล้วได้ผลเมื่อได้ผลหลังนั้นเข้ามาทับมันก็นล้มไป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 นอกอเหนือจากนี้ไปไม่ได้เราเป็นเจ้าของของใจใจเป็นสมบัติของเราในตัวให้กิดเลสเกียวยามทําลายหากกิดเลสเป็นคุณเป็นประโยชน์อีกเราจะควรด้รับความสุขความเจริญจากมันด้วยแล้วโลกนี้เต็มไปด้ยวยี่เลสนั้นโลกจะไม่มีการบน่นไม่มีความทุกข์ความําบากเลยหน้าไหนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยความสุขความเจริญเพราะมีทุกมีกิดเลสติดทุกข์ขึ้นมา ก็มีกิเลสแต่นี่กิเลสมันผิดทุกธรรมะถึงผิดสุขขึ้นมาธรรมะฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เป็นการสิ้ด้วยความเพียรนี้ท่านเรียกว่าธรรมะฝ่ายเหตุผิดธรรมะให้เป็นฝ่ายผลขึ้นมาคือความสงบสุขเย็นใจ <c oughs> เราเป็นนักอธิบัติเป็นพระผู้ทีท่สถาปน์ผู้จอมปราบฉะลาะกเนือโลกควร น, นําระสีปัญญามาท้ายให้ครอบรอบ ขอบคิดภายในจิตใจของตนใจเป็นตัวสําคัญเหมือนผูดต้องหานะ่ะเหมือนลิงตัวหนะึงเถอไม่ได้นีรำมารักษาใจใจเป็นสิ่งประเสริฐเลิ่โลกกว่าสิ่งใดใดในโลกทั้งสามจึงควรรักษาให้ดีขึ้นดโดยลําดับนลำนับที่มันไม่ดีนี่ก็เพราะว่าสิ่งไม่ดีก็ไปเกี่ยวข้องสิ่งเพ่ไม่ดีเข้าไปพัวพันสิ่งไม่ดีเขาเ้ขไเข า, ไไเขาไปเป็นเจ้าของถ้าไปยืด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 อย่าลืมศาสนาซึ่งเคยแสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนจนตั้งซําซากก็ฟูดได้แต่ความจริงจะซ้ําขนาดไหนก็เะพราะกิเลสอยู่ในหัวใจของเรามันซ้ําซากแี่ไหนกี่กัดกี่กันมาแล้วเราก็ยังไเห็นว่ามันท้ําซากเวลาจะนํำอุบายมาแก้จะเห็นว่าท้ำซากนี่ก็คือกิเลสหม้เราอเนี่ยให้นํามาปฏิบัติอย่าลืมการดําเนินของศาสนา พอไม่เกิดความท้ดแท้อะไขึ้นมาให้เราลึกถึงพระพุทธจ้ามาเป็นพวงใจเครื่องชุดลากตนจะได้ตะเกียดตะก า, ารไปตามปฏิบัติธรรของท่านแม้ไม่อไรอย่างท่านทุกขเบียดก็นั้นได้แบบยิตมีครูคนไม่ล่มจมมือถางเยอือกโดยไม่มองดูครูเลยสำคัญสันน่นลระกาชามนี้เหมือนกันท่านเป็นผู้มีกิเลสเต็มหมดใจเหมือนกันกันกบเราล้เราแล้าท่านนี่แหละ ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิเซที่โ ส, อ, ส อ, ออกมาแต่กำเนิดเกิดในสกุลพระชามหาภสัตต์โดยใครเดียว น, นั้นเป็นเรื่องสมความสมมุติหนึ่งกิเลสมันมีอยู่ภายใน จ, จิตใจเต็มอย่างนี้ด้วยกันการสมรักิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอยู่ในหัวใจใดต้องพยายามสะเกียรติ ก, ก, กายเต็มทั้งสี่กำลังความสามารถเท่าที่กิเลสแต่และประเภทประเภทจะดิบลอยไปความเข้มแข็งความมุสาพยามต้องเหนือกิเลสประเภทนั้นนั้นเสมอ สติปัญญาที่จะนามาื่อไขต่อเนือนั้นเสมอนเนื้อพิเดดเสมอกิเลสแต่ละประเภทจังจะดูดลอยไปเพราะเครื่องแก้เนื้อมันเครื่องปราบปรางเนื้อมันไปโดยลําดับตั้งแต่ขั้นยากพิเดศอย่างยากพิเดอย่างกลางวิเดศอย่างละเอียดมัชฌิมาปฏิปทาการโดยการปฏิบัติกําจัดกิเลสด้วยเครื่องมือสติปัญญาก็ต้องให้ทันกันไปโดยลําดับลาดับ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 ทางนี้เป็นทางเพื่อความปลุกพ้นทางนี้เป็นทางเพื่อให้ความสุขความจเจริญใจเราอยู่โดยแท้ทางทกิเกลสเราได้เคยเดินตามมันมาแล้วมีแต่มืดดำกรำตาความทุกข์ความลําบากทั้งด้านร่างกายและจิตใจหาความสุขความจเจริญไม่ได้หลวงปู่ทิเจ้าแสดงว่าโทษของมันมีกี่ประเภทเนี่ยเราก็ะชาบแล้ ว, ลวมันมีโทษทุกประเภทบรรดากิเลสไม่ใช่ไม่ใช่คุมเลย คุณตั้งแต่ทำเท่านั้นทำปปรากฏขึ้นมากเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงผิดขึ้นมาให้ได้เต็มมากเต็มหมายหน้าที่การงานอะไรไม่มีเลยบินถาบาทตอนท้าก็เต็มบาดมาเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนบำรุงรักษาด้วยตัวปัจจัยทายาฐานต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติไม่อดตายภาระเขารับหมดยีวาเครื่องนุ่ห่มใช้เอยร์ก็เต็มอย่างเห็นกันที่นี้ ว, า ง, วางเงียกทานไปวัดนั้นวัดนี่อยู่ตลอดมามินทาบาตก็เติมบาทนอกจากเติมบาทแล้วยังตามมาส่งมาเสียอีกร้นบาตรหรือว่าไม่ชนะจะกินเน่ใช้หน้าชนะที่อยู่ที่อาศัยก็เห็นอยู่แล้วนี่พอเป็นพอตัยได้ห้ามมาไว้ในเขาสร้างมากเกินความจําเป็นเราเป็นผู้รักษาขอบเขตเหล่า น, นี้ ตลอดถึงท่านเองที่เป็นความเหมาะสมขนาดไหนเราได้คิดเต็มทัิน์กำลังความสามารถของเราแล้วเรารับตามความเหมาะสมที่เห็นว่าเหมาะแล้วพระขนาดนี้อยู่ด้วยกันเป็นพระสุขมากกว่านั้นจะเลอะเถอะ เ, อเฟอ้อไปหมดไม่ดีนี่คิดแล้วความเมตตาสงสารเมตตาสงสารโดยทั่วกันการรับไว้เพ้อ อบรมสั่งสอนในช่วงการช่วงเวลานั้นเรารับเสมอเราสั่งสอนเสมอเมตตาเสมอแต่การที่จะให้ดีด้วยกันตามปัจจัยของผู้มาตามความต้องการผู้มาเสียทุลุ่มทุนนาำนั้นมันเกินวิสัยของผู้รับไว้ที่จะอบรมให้เป็นประยัดใจหลังอืมันอาจจะพลิกไปโกงกันข้ามไปเลอะเทอะไปหมดเลยดูไม่ได้ก็ได้นี่เราราักษาอย่างนี้แหละการปกครองมันจะเริ่มเล็กน้อยเป็นสิ่งสําคัญมาก แม้แต่ภาในครัวเรายังต้องเนี่ยยังหมอกดขันบางครงที่เราอยู่นี่บางครัง้งบางค า, ง า, งางก็ยังเดี๋ยวจะหมดกฎขันได้ตุบนี้นะอืมคุณพวกมาอยู่สร้างให้อยู่ก็ติหนึ่งเพิ็กไปอยู่กุฏิหนึ่งนี่เราไล่กลับพื่นเลยหึอยายมากหึง ม, มาห่วงไว้กุฏินั่นกุฏินี่นะอยู่หลังนั้นก็อยู่หลังนี้ก็อยู่ไม่ได้ครับเพืนไปเดี๋ยวนี้ไม่มีคนอยู่ดูไม่อยู่ก็ตามการปกครองเป็นของาำถาเราเป็นคนสั่งเองก็แค่ เราเปลี่ยนแปลงได้หรือเราไม่สั่งให้เปลี่ยนด้วยเหตุผลควรการอะไรเลยนี่เราก็ทําเพราะการปกครองเป็นของสําคัญเป็นกฎนเป็นระเบียบอันตายตัวที่เห็นว่าถูกต้องในงามแล้วต้องให้เป็นกฎนเป็นระเบียบอันตายตัวอยู่เช่นนั้นถ้าทําไปป ล, อปลอ่อยไปไปมันก็เรื่อยๆจะเธอเคยแบบนี้ใส่อย่งผู้หญิงด้วยแล้วมีความกับแคบมากมองกันก็มกักจะมองในแ ย, ย่ร้ายความกับแคบมาก มันต้องลําบากในการปกครองเพื่อย่างนี้เรากิงไม่รับมากคือร่ำไว้เท่าที่จเป็นเท่า น, นั้นหนักพระเรามีความหนักแน่นหรือผู้ชายผิดกันอยู่มากกับผู้หญิงแต่เราไม่ได้ทำหนีผู้หญิงว่าเป็นคนไม่หนักแน่นโดยถ่ายเดียวส่วนหนักแน่นก็มีส่วนดีก็มากแต่โดยมากมักเป็นอย่างนั้นมีฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกั น, นมีความหนักแน่น ดีตามนิสัยของผู้ชายมีหมู่มากแต่ที่เร็วกับผู้หญิงก็มีไม่น้อยเายกขึ้นเันเพียงส่วนมากเป็นอย่างนั้นอย่าลืมดูใจของตัวเองนี่ใจในี่สำคัญมากทีเดียวคิดมันตรงอยู่ทั้งวันทั้งคืน ล, ล็อกเราอยู่ด้วยเรื่องนะันเรื่องนี้ มันไม่เคยว่างในหัวใจก่็ให้ดูเธอผู้ประกอบความเพียรจะได้เห็นในหัวใจตัวเองว่าไม่มีว่างงานเลยมันหนักคิดอย่งนั้นยุ่งยิ้ยิ้มยุงยุ่งยุุ่่งยิ้มยิ้ิ้เรื่องส่วนมากความคิดเป็นแต่เรื่องสมุทัยมอแต่ถ้าติดตามไม่ทันโอ้มันข้ามาเต็มปากเลยหืมปุ๋ยยังไงมันไปเจ้ากวาเจ้าต้อนออกมาแล้วก็มาเผาเจ้าของไม่ต้องมองนี้มีปรความทุกข์ลำบากภาวนาทั้งนั้นก็ไม่ลงมันลงอะไรมีแับไป นอกจากเคขอบเกิดจากวานนต่นตะวันความทุกข์กฟืนคือไฟไผราคะคืสามโมหะมาเผาตัวเองเดือดร้อนมุน่งวายงนั้นเราจะหาความเริ่มเย็นมาจากไหนสติเป็นของสำคัญยาเสียดดยในสิ่งใดรูปทุกประเภทของรูปในโลกอันนี้มีมาตั้งเดิมแต่เราไม่เกิดมันก็มีอย่างนี้เสียงปิดนดเครื่องสัมผัสแต่และอย่างแลาเคยมีามาตั้งเดิมอยู่แล้ว อันนี้เขาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดถ้าเราไม่ไกว้างเรามาเป็นภัยต่อเราเหมือนกับไฟไฟให้เป็นไฟเราจะไปจับเอาไฟมาเผาตัวเองมาจี้ตัวเองให้มันร้อนตัวเปล่าเราไม่เสียดายกับสิ่งเา น, นั้นเราจะสังเกตดูตั้งแต่จิตที่ไปเกาะไปเกี่ยวข้องพุ่นวายกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วมาเผาตัวเองนี่ให้สงวบให้ดูตรงนี้ให้ดีผู้ทําความเพียรต้องดูจิตที่ทํางาน มันทำงานด้วยมรรคหรือทำงานด้วยสมุทยัยดูให้ธรรมดาแล้วร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของสมุทยัยโรงงานในสมุทัยก็คือจิตนั่นเองเป็นโรงงานอยู่ที่นะั่นถ้ามีสติมีความภาคเพียรคอยสังเกตสังขรอยู่เสมอเราจะได้เห็นเรื่องของมันที่มันแสดงออกแสออกอยู่ตลอดเวลาแล้วเอางานธรรมะเข้าไปแทนที่อย่าให้งานทางสมุทัยมันได้มีโอกาส แทะออกมาทํางานทังมันเราเอางานของทา ง, ทางด้านธรรมะเครื่องตรามเพื่อนจะงับดับมันเข้าแทนที่ด้วยการบริการความําด้วยการพิจารณาอัตธรรมในข้อใดเนี่ยอะไก็ตามซึ่งเป็นตามตัวถอนเรียกว่าธรรมหรือเรียกว่าการนั่งเนินอย่าให้ว่างถ้าจิตไม่ว่างให้ไม่ว่างเนเกี่ยวกับเรื่องธรรมอย่าให้ไม่ว่างด้วยเรื่องของสมุทยัยคิดๆดินั่นจะผิดแต่ทุกขขึ้นมาเผาตัวเอง ไม่ว่าเพศใดวดัยใดเหมือนกันหมดหัวใจนี้ไม่มีเพศไม่มีวัย ม, มีการสถานทีม่มีอดีตอนาคตมันเป็นน้ำมันอยู่เช่นนั้นพยายามรักษาดูหัวใจนั่นแหล ะ, ละระงงานอันสำคัญถ้าภาวนามุตว่าผู้ใช้คำบริกรรมอยู่มันยังคิดได้ปรุงได้เผลอไปได้ให้ใช้คำบริกรรมนั้นถี่เข้าไป ทุ่มกำลังลงไปทุ่มความจดจ่อลงไปความสนใจลงไปอยาเสียดายกับสิ่งใดที่มันจะคิดกระตุ้นออกไปเกี่ยวข้องดูความอยากปรุคงของจิตมันหักเป็นการหนุนหนุนขึ้นมาที่กระตุ้น ม, มันเป็นลักษณะหนุนหนุนขึ้นมาถ้ามีสติรู้มันหนุนหนุนขึ้นมาเป็นลักษณะผิดปกติขึ้นมาหนุนหุนจะออกข้างนอกนะไม่ใช่หนุนจะเข้านะอืมแต่สติมีมัน มันโผล่ออกมาพอเหหัวมันทั้งนิดนึงมันก็หลุเข้าไปหลุดเข้าไปเหมือนแย้งส ต, ติพอเปลอสติปั๊บมันออกพุ่งเลยเร่ายิ่งกว่ามันาริงร้อยตัวดูให้ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผิตนี่ได้ดูมาแล้วไม่ได้มาพูดแบบเป่าเปล่าพูดมาด้วยการพิจารณาแล้วดูแลว้วเห็นคนมายาข้างมันทุกแง่ทุกมุมมาแล้วสติอป็นของเรืงพันเอาตั้งให้ดีพิจารณาให้ดี ใจมีหลักหนักแน่นตักลองอยู่ที่นี่นะ่ะความเพื่อนอยู่ที่นี่อย่าไปสนใจเรื่องมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นที่ใดนอกเหนือไปจากชัตจธรรมทั้งสีซึ่งเป็นฐานที่อยู่ทั้งกิเลสกองทุกและธรรมแต่ตนเป็นถึ ง, ถงมรรคผลนิพพานสูงสุดอยู่ในห่วงนี้แหละไม่ได้อยู่ในห่วงไหนห่วงแห่งใจให้ดีโทุก ร่างกายนี่ก็ทราบแล้วเป็นผลเป็นนิบาสอันหนึ่งของกิเลสที่มันสร้างตัวขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกการที่จะเกิดทุกข์ทางร่างกายนี่มันก็มีสาเหตุของมันเหมือนกันเช่นเราเจ็บท้องก็อาหารเป็นสาเหตุบ้างหรือเช่นท้องตึงบ้างหรือมีชนิดเลือกอะไรมันเกี่ยวกับท้องเสียส่วนมากก็เป็นอาหารเนี่ยปวดทิ่สะก็ต้องมีอะไรเป็นสาเหตุให้มันมันมีเหตุทุกอย่างมันเป็นแสดงผลขึ้นมา แตเหตุเหล่านี้ไม่ไม่จัดว่าเป็นกิเลสส่วนทุกข์ของใจนี้ต้องมาจากสาเหตุคือสมุทัยรนุนรนไม่สงสัยส่วนทุกข์ในร่างกายตัวนอีกประเภทหนึ่งนันเกิดขึ้นมาได้ตามเรื่องของมันเราจะเรียกว่าเป็นเหตุของมันหรือว่าสมุทัยของของของขอ ง, ของร่างกายก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบกิเลสนะสมุทัยเรียกวแดนผิดทุกข์ นับทานอาหารงลงไอาหารประเภทใดมันแระแดงต่อร่างกายนั่นมันก็เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุจะให้เกิดความไม่สบายแล้วเรียกว่าสมุทรไทยของมันก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทรไทยแบบนี้เลยหรืว่าเป็นสาเหตุนี้เป็นสิตุที่เหมาะสมมากกว่ามีอะไรเป็นสาเหตุเหมือนกันใจที่เกิดความทุกข์ร้อนขุ่นมัวหาความสมบงบเย็นไม่ได้นั่นก็มีสาเหตุที่ทํำให้ฟุง้งซ่านเพราะฉะนั้นจิต่อจิตเป็นใจตรงนั้น เอามันคิดไปเรื่องอะไรจะตามด้วยปัญญาก็ได้แต่สมมุติว่าเราบังคับหรือเราชั่งเกลือจิตนี้มันไม่ทันมันเอาเอกคอยดูมันไปคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องรูปเอาเอามาคลี่คลายดูให้หมดรูปผู้ใดรูปหญิงใดรูปชายใดยหรือรูปเรื่องอะรูปของสินใดาามาคลี่คลายดูมันเห็นถ้ามันเห็นต่อหน้าต่อตามีนาอย่างชัดเจนท่ำๆซากซ่าไปหลบหน้าหลบหลังตลก ทบไปทบมาด้วยสติปัญญาพอมันเข้าใจแล้วมันก็ถอยมาตามมันอยู่อย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าปัญญาเรียกว่าความเปลี่ยนทางด้านปัญญาที่จะตีดั้นขิกซึ่งมันผ่าผลให้เข้ามาสู่ความสงบได้ด้วยปัญญาคือการที่เหนผลนี่มันทราบอย่างชัดเจนแล้วมันก็ไม่เกิดผลโดผลกระโดดโลดเต้นไปไหนมันก็เข้ามานอย่างหนึ่งอางนึงก็ดูมันอยู่นั้นไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่มุ่งอะไรทางนั้นเราจะจะดูนิจใจหรือเราจะดู เรามีตั้งแต่คําบริกรรมหรือเาจะดูตั้งแต่ลมลมเข้ารู้ลมออกรู้เข้ารู้ออกก็ตามทราบตั้งแต่เพียงลมที่สัมผสัสแยบแย บ, ย บ, ยบก็เอาไม่ต้องไปกําหนดว่ามันเข้ามันออกอือันนั้นก็เป็นสมมติอันหนึง่งให้ทราบขณะที่มันผ่า น, ผ, านผ่านเข้าไปไปสัมผัสผปัส๊บทราบตรงที่สัมผัสสัมผัสออกหรือเข้าไม่ไม่สัมผัสยิ่งกว่าการทราบลมขณะที่สัมผัสให้ทราบอยู่ทุกระยะระยะระยะมันจะจิตใจมันจะถือจุดนั้นเป็นสําคัญแล้วสมุกตัวเข้ามาสมบุกตัวเข้ามา แล้วตั้งหกเย็นไปได้ผู้ถูกเิริย่างนี้ก็มีเอาให้ดีผู้ปฏิบัติทำผู้มาศึกษาอบรมก่อนให้ได้รับได้กเกณฑ์ไปเดิมาทําเล่นๆ น, นั่นีนเ่เราละไว้อบอรมก็รับ อ, อกุก็ให้การอบรมเต็มที่กําลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมงุงทําทุกขั้นไม่เคยมีปีติบังนี้รับแสดงให้ฟังหมดทุกสิ่งทุกอย่า ง, งมาศึกษ า, าให้ได้เหตุได้ผลได้ก่อน ความสัตความจริงตามหลักธรรมที่สสอนนี้ไป่ระพฤตปฏิบัติให้เป็นต้นทุนเป็นเนื้อนาบุญของตนปุญญักเตรตังโลกาศสตร์พระสงเป็นเนื้อนาบุญของโลกทำตัวของตัวให้เป็นเนื้อนาบุญของตัวเสียก่อนเต็มที่แล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยไม่ต้องสงสัยหากว่าเนื้อนามันแห้งมีตั้งแต่ขี่ขี่หมูลาที่มาแห้งแล้จะเอาเรารไปแจกโลกเอาตั้งแต่ขี่หมูขี่มาไปที่ไหนเขาก็เบือ่อเขาไม่อยากพกเห็น ทั้งๆี่ปุญญาเกศตั้งโลกาสัตว์สงเป็นเนื้อนามุของโลกในหลักธรรมท่านว่าไว้อย่างนั้นแต่โลกมองเห็นแล้วเหมือนจะเป็ดคับผีหนึ่งพระที่ไม่ใช่ปุญญาเขตทานเนื้อนาแห้งกลายเป็นพระเป็ดครับผีไปทั้งหมดไปที่ไหนก็ควรบ้านควรเมืองอืเขาไม่อยากคกจะเห็นที่ไปกัดตับกัดปอดกินตับกินปอดเขาข้างละเท่านั้นข้างละเท่านี้เห็นหน้านไม่ได้ ให้ช่วยนั่นให้ช่วยนี้มันน่าเบื่อลําคานท่าเลยถึงท่าควรบ้านควรเมืองมาแต่ท่าทําความโน้มแก่ตนมให้ความรุ่งเรืองแก่โลกได้พอเขายิจะมีความยินดีก็ยิ่มยิ่งเย่อพอมากาศว่าสาระบูชาทําบู้าทานกับตรงเงินข้ามไปเสียหรือมีอะไรที่จะถูกฝนอบรมได้ยากยิ่งกว่าใจ แต่ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าใจที่รับการรวมมาโดยลบดับจนกระทั่งถึงทำลาะได้เต็มภูมิแล้วผลใดก็ตามไม่เหมือนนี่เป็นอัศจรรย์คุ้มขับยึดไว้เป็นหลัก ย, ยาลืมยาให้ต่อยให้ใจลอยแหละท่านนี้ใช้แล้วแหละแั้นไม่ดีมันหักวนนะใจเดี๋ยวมันชิดมันนั้นแนละ้ว เดี๋ยวมันจยากไปที่นั่นจะดีไปที่นี่เห็นจะดีบ้างมันกวนเข้าไปแล้วไม่ได้เรื่องมันหลอกไปอีกหลอกปีนี่คือถูกหลอกถูกต้องอยู่ตรงไหนว่าไปตรงไหนแล้วเอาให้จริงจังนันจะหลอกมานอะไรอีกที่นี่สงบแล้วพอสมควรแล้วจะเอาอยู่ที่ตรงนี้ฟาดตรงนู้นนั่นไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมแล้วเอาลงไปเลยอย่าให้มันหลอกไปโน้นไปนี่เลยนีนะ่เป็นไปได้นะที่เรนนี้เหรอคุณมผมมาก เ ข, ข, ขาแทกควากระซิบกระส่แต่ของก็เคยเป็นลูกสิกรกุติมันอยู่แล้วก็หมอรากหมอรากไปเลยเลยยอม โ, โดยโดยครับครับเลยเลยท่านรรญญาอธิบายมูกก่อนท่านก็มาตั้งต่มองลงจริงๆยาให้เราเห็นของหูของตาดเด่นดันด้าๆเราดูไม่ได้จริงๆนะ เราอกจะแตกขนาดเพียงเท่า น, นี้เราก็ออกจะแตกแล้วแต่เรามากกว่านี้ได้อย่างไรคนละนิสยัยข้าลายนิสยัยข้ามาจากคนนิสัยไม่เหมือนกันผู้อยู่ก่อนผู้อยู่ใหม่หนักผู้อยู่ก่อนผู้อยู่เก่าหนักผู้อยู่ใหม่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรกันทำประจําภาษีภาษาไม่คิด ถึงหน้าที่การงานที่จะหนักอกหนักใจหมุกเพื่อนอย่างนี้หนีมนลําบากไม้ว่ารายไหนเข้ามามันจะต้องเก้งก้างเก่งก้าให้เห็นแต่ก่อนเนี่ยพอจะเข้ารูปพอลอยได้เกือบตายเหมือนกันมีหนึ่งลายก็ตามมันจะเห็นมองดูขวางทันทีเหมือนก็ไม่ได้บวมบวมมาแล้วทั้งที่มาจากสำนักนั้นสำนักนี้เริว ม, มาเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงเป็นนั้นงเก่งก้างเก่งก้างอืดอาดเหน่อยนายดูไม่ได้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 ผิดจากหลักทำหลักวินัยซึ่งเป็นหลักแห่งความสงบเพิ่มเยี่ยงนี้มีสัมพันธ์อยู่ที่ตรงนี้ถ้าผิดตรงนี้แล้วไม่มีละหน้าใดก็ตามไม่เหนือธรรมเราจัดการทันทีถ้าเราจะเห็นจะหน้ารูปหน้าปากใบมุกแล้วเราทาอย่างนี้ไม่ได้เราไม่เห็นอะไรเหนือธรรมได้ปฏิบัติมาเป็มปีติกําลังความสมารถของไม่ได้ลงใจสนิทใจกราบไหวยัง <c oughs> แบบถวายชีวิตเลยเหมือนธรรมเลย เราลงใจขนาดนั้นยังพยายามรักษาไว้ยื้อดูทีด่ดูหาก็เป็นกันเองนะเขามาเล่ามาว่าเป็กันเองโอ้ยไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เรื่องของหลวงพ่อเราได้ยินเรื่องอะไรว่าที่คนอื่นก็าไม่มีเรื่องแล้วมันมีแต่เรื่องหลวงพ่อยังไงก็อ้ยก็ได้ยินเรื่องดุนล้นลั่นลอกไปที่ไหนบอ้วไม่ได้นะาจารย์าบัวไม่ได้นะจารย์าบัวทั่วประเทศไทยเขาบอก นี่เขาพูดมันจะในน้อยปากมากหลายปากด้วยว่าพูดของลู ก, กันทั่วทิศทั่วแดนแต่เราไม่เคยสนใจน่ะฟังด้วยถ้าว่าเราจะสนใจสิ่งนี้เราจะทำดำเนินตามหลักทำหลักวินัยไม่ได้เราจะดูดาว่ากล่าวผู้ผิดไม่ได้รูปหน้าจะปาาจมูกจะปไปจมูกและเลอะไปหมดมีแต่จมูกเลอะไปเต็มไปหมดในวัดนี้ขวางจมูก รูปไปก็ไปขวามจมูกของเสียก็อยู่เสียรูปไปขวางจมูกเสียก็มีตั้งแต่จมูกเต็มมัดจมว่าหาที่ก้าเดินไม่ได้เต็มไปด้วยจมูกที่มันขวางทําไม่กล้าว่าเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราไม่เป็นเดินตามหลักทําหลักวินังนี่เลยเพราะนี่เป็นหลักใหญ่มีคนเข้ามาว่างั้นเราก็เฉยหนึงประการหนึ่งก็เอ้ยมันไม่ของดีก็เอาของดุพิจคอนเถอะแม่ของดีค่อยมาเอามีประการหนึ่ง าการที่สองรู้ไหมเราจะพูดให้เห็นอย่างชัดเจนนะอะยกตัวอย่างขึน้นทันทีคนกําลังหิวน้ํามาแทบล้มแทบตายไม่ว่าใครมีจํานวนมากมีจำนวน น, น้อยหาดื่มน้ำใช้ถ้อยอักที่ตรงไหนไม่มีไปดูบ่ก็เต็มไปด้วยที่ต้มกี้โครนไปดูหนองดูบึงตรงไหนก็เต็มไปด้วยที่ต้มกี้โครนไปดูทํานกใหญ่ๆที่เขาขังไว้น้ํำ ต, ตลอดปีเลือกกี่ศอกกี่เมตรก็เต็มไปด้วย ขี้ต้มขี้โครนขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควาขี้คนไม่สามารถที่จะอาบดื่มใช้สอยได้เลยแล้วดีใจใหมพวกเกลกําลังหิวน้ําจะตายไปเที่ยวดื่มน้ำในที่ต่างๆเมื่ตั้งแต่ขี้เต็มคูกเ ข, ข้ากันเต็มน้ําไปหมดนั้นดีใจไหมหน้ามียินแย้มแจ่มใช้ใหม่เอาตอบนะยกไปค้อเปรียบเกี่ยวขึ้นมาโหเสียใจยแล้ว นี่แหละที่นี้ไปวัดไหนก็ตามมองดูพระดูเนนไดก็ตามมีแต่ขี้เต็มตัวไปวัดไม่ว่าวัดไหนไม่ว่าวัดนอกไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านวัดกรรมฐานวัดระยัะวัดไหนก็ตามเต็มไปด้วยความขี้เกี้ยดขี้คลานรบกรุงดังดูอะไรดูไม่ได้ดูพระก็มีแต่ขี้เต็มตัวหาอัธพาธธรรมหาความสวยงามไม่ไม่มีเลยในองค์ของพระในสถานที่ที่อาศัย ดูอะไรดูไม่ได้เลยเต็มไปด้วยขี้ทั้งหมดดูได้ไหมนี่วางันจเจริญหูจเจริญตาใหม่มีการรักษาน้ําไว้เพื่ออาบดื่มใช้สอยทั่วโลกทั่วดินแดนมีการต้องมีการดูด่าว่ากาบ้างที่เป็นธรรมดาห่วงห้ามอย่าก้าวเข้ามาอย่ามาเหยียบอย่ามาขี้ใส่น้ำนี่เป็นน้าใช้น้ําสอยน้าอาบดื่มเขาดื่มกันทั้งโลกอย่ามาเหยียบย่ําทําลายอย่ามาขี้ รถเยี่ยวล่ะแต่ของดีบอกว่าอย่างนี้เป็นความผิดได้หรือผู้มาขี่แส่ก็ผู้บอกใครผิดอ่าเทียบสิอันนี้เราพยายามรักษาวัฏวายรักษาพาะสันนิยมรักษาธรรมในให้เป็นน้านนนําทีาท่สะอาดน้ําผิดน้ำธรรมที่อาจแล้วสำหรับขึ้นชาล้างจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทําไมจะผิดไปทําไมจะเป็นความดุคนที่มาเหยียบย่าทําลายเป็นความดีแล้วหรือถ้าอย่างนั้นผู้ทําลายศาสนา ก็เป็นคนดีเลยสิอ <c oughs> ่ะตอบมา่ไหวนี่แหละบางเวลาจะเอาเอาจริงเอาจังรักษาไว้สําหรับโรคทั้งนั้นของดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีบวกเข้ามันดีขนาดไหนดูสิอันนั้นก็เลวอันนี้ก็เลวอันนั้นก็เลวอันนี้ขี่หมูอันนี้ขี่หมาอันนี้ที่วัวอันนี้ขี้ควายบวกกันเข้าแล้วใส่ในหลุมนั้นดูได้ไหมโยนในหมอในบ่อแล้วดูได้ไหมวาดลงในบึงทั้งหมดดูได้ไหม นั่นปีจารณ์พี่ของชั่วเป็นอย่างนั้นมีเท่าไหรมันก็เพิ่มความชัว่วความรำมออกขึ้นไปโดยลําดับลำดั บ, ด, บดูได้ไหมพิจารณาเหตุนาผลที่เราเป็นมนุษย์ทั้งคนเนื้อหาออจะดุจะดุใครว่าดูก็อย่ามานะเราว่างนี้เลยแเราพุกงงนี้ดีพอตัวแล้วอย่ามาเราไม่เคยสนใจกับผู้ใดจะมาหรือไม่ม า, าว่า จะพูดเอาาหนักเหมือนกันแล้วไม่ได้พูดด้วยความโกรธว่าเป็นไรว่าอะไรก็เป็นไรไปแล้วพูดตามเหตุผลพูดแล้วขาเหยับไปเลยไม่ได้พูดเอยเราพูดตามเหตุผลเฉยๆแล้วมันมีอารมณ์โกรธกับใครเป็นอย่างเขาว่าตามทําบะบุวดูนันเราก็ไม่เคยดูด้วยความโกรธแต่เหตุผลหนักเบามากน้อยที่ควรลงขนาดไหนนั่นมีไม่สงสัยแล้วที่เขามาพูดถึงเรื่องพระเจ้าแผ่นดินกับ พระราชนีคือนายหลวงก็ไปทีน่นีไปพูดถึงเรื่องเราโอท่านจะมาไว้ดุกมากนะกลัวนลยม้แต่ท่านเข้ามาในบ้านเราท่านไม่มียิ้มแย้มเลยท่านไม่มียิม้มมีแย้มเลยวะเขามาเล่าคนในราชวบังแล้วมาว่าเราโอ้ยถ้าลงนายหลวงกับพระราชนีประทับอยู่ในพระราชวังแล้วไม่ต้องกลัวลูกตาบั ว, วที่จะเข้าไปดุนายหลวงก็ พระลมพะเด็จระมรากยีงานในพรระาชวังแล้วเป็นไปไม่ได้อย่ากลัวอยาวว่าปลอมกล่อยแรงเราบอกอ่านีาเ้เลยเขาจะไปกับทุนเขาตามไม่กับทุนเขาตามเราไม่เคยสนใจแต่ถ้ากล้าเข้ามาในวัดหรือพบกันในสถานที่ใดได้สนทนารร ม, มาการขัดแย้งกันกันกบหลักก็อาจจะทำข้อใดนั่นแหละตรงนั้นแหละหหลวะจะได้ตอบโต้ตกันหนักเบามากน้อยแม้มหาผมถ้ามหาผมก็ไม่รอทําอยู่ตรงไหนจะไปตรงนั้นเราว่าจริงจริงนี่ เราเคยได้เห็นได้ผลได้รับความสุขความสบายมาเพราะวิธีการนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงได้เห็นได้ผลได้อัดได้ทำด้วยความวิเศษวิโสด้วยความสุ ข, ส ข, สขความเจริญมาเพราะวิธีของพระพุทธเจ้าเรานําวิธีมือเจ้ามาสอนโลกมาปฏิบัติผิดที่ตรงไหนที่ไหนตัวเองก็ได้ปฏิบัติอางนั้นบังคับตัวเองนี่ว่าไงมันจะใครเป็นอย่างนั้นไม่ไปไม่ไปตามเลี้ยงดูเหตุดูผลอย่างที่เรียกว่าบังคับตน อา้าวมันจะเป็นขนาดไหนฝืนกนันตายก็อเอาตายไปทำอย่าให้ตายความตายความจริงอย่าให้ตายการต่อสู้อย่าให้ตาย<ม>ความท้อถอยไม่ให้มีอื<ม>สู้เป็นอย่างนั้นเเหตุผลบังคับอย่างนี้นี่จะฝืนไม่ได้หรือถ้าเราต้องการอัดตามทำก็ต้องการตามเหตุผลเหตุผลคือเราทำต้องเดินอย่างนี้เอาทุกข์ก็เดินแดดออกก็เดินฝนตกก็เดิน ครุะก็เดินทางสะดวกก็เดินจนถึงจุดหมายปลายทางจึงสมชื่อว่าผู้ต้องการให้ถึงจุดหมายปลายทางทางสายนี้เป็นทางนี้เนี่ยไม่มีทางสายอื่นที่จะเลือกเดินได้นี่ครุ mm hmm. ขะก็จาเป็นต้องไปถ้าสะดวกก็จะเป็นต้องไป mm hmm. มีน้ํมามีทางมีตรงมีโคนก็ต้องไปจุดนั้นกานรปฏิบัติธรรมของนียากมีลําบากเป็นตอนเป็นรักเป็นตอนนี่เหมือนกันหรือเลือกเดินไม่ได้มันทางเดินไปตรงนี้ออื mm hmm. ทนเอาทุกมากขนาดก็ทนเอาแล้วมีที่จะพ้นมาจนได้ถ้ า, มาไม่หยุดไม่ถอยความพยายามเนี่ยรยนน์นันุกัมัตเจติท่านก็บอกไว้แล้วคน้คนจากทุกได้เพราะความภาคเพียนเนยยเพ้ยนท่านก็บอกเพี้ยนไม่หยุดมันก็ไปได้ปฏิบัติเหมือนกันเราจะไปเลือกนั่งเลือกมีแตนเป็นธรรมมุง่งยา่าแล้วอาฟาดมันตาย ให้กินให้จังมาศึกษากับดูให้ดีแบบที่เราพารำเนินอย่างนี้เอาเป็นเรื่องของท่านสมัญเมตตาให้ทั้งนั้นแหละผมไม่ลืมนะครับท่านสมัญพูดอันใดเรื่องใดออกมาไม่ทราบเป็นมันเหมือนกันกับเทปมันซึมซึมเข้าไปเพราะมันจ่อยตลอดเวลาไม่ว่ากันแต่พูดทีเล่นทีจริงพูดอะไรจินไม่ได้เล่นด้วยเลยจ่ออยู่นั่น บุญเขมมันเข้าปุ้งเหมือนเหมือนเทศเทศแล้วไปก็ดูคันเทศแหมมันซึง้งฟางเทศท่านก็ซึง้งที่นีเวลาไปอยู่ออกจากตะกี่ประชุมไปแล้วไปฟังมันซึง้งเวลาคุยประท่านตอนบ่ายตอนเท้าเราแล้วแต่เราจะจะขึ้นหาท่านตอนไหนบางทีังหันแล้วท่านก็เลยือการปกติท่านพอฉันเสร็จแล้ว ท, ท่านก็เดินไปช่วง พอจับร่วมแล้วขึ้นกุติแล้วก็ตามมานไปถ้าเราวันไหนเราจะไปหทาท่านตอนบา่ า, มมบ า, ยบายสามโมงท่านออกบ่ายสองโมงนออกอยาจะขึ้นตอนนั้นก็ได้มันทีก็ตอนขึ้นตอนปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยอะนะาจนั่งอาบเท้าไแล้วก็ขึ้นไปแล้วนั่นทงท่านก็นลงเดินยังกลมไมนน่ละอย่างเดินยังกลมหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงอาจารย์มั่นตลอดมาจนกระาทาง่งถึงเดินไม่ได้ทา่านต้องหยุดนี่เป็นความเพียนประจําอถิยาสายของท่าน ตอนท่ากรพะ อ, ออกจากรงจากที่แล้วท่าก็เดินอย่างกรมท่านท่านไตะขาปุ๊บทางนั้นปุ๊บทางนี้ท่านขน ย, ย, นยีดเส้นยู่เส้นทานดูเราก็รู้ท่านเดินท่านเตะทา น, นันปุ๊บตะทนี้นปุ๊บเขาได้เวลาทา่านคืนเวลาพูดอะไรล้วฟังหมดพรท่านฉลาดพูดบางท่านทานน่านไม่ค่อยพูดตรงไปตรงมายกตัวอย่างอย่างที่ผมเคยพูดนะ มือเพื่อนฟังวันไหนวั น, าวานอาหวานอะไระใส่ถ้วยใส่ถ้วยจะซดโกเกก ก, เ ก, ก, ก, เ ก, กมันจำเป็นต้องพูดก็ต้องได้พูดเราปกครองอ่นี้เราไปที่นั่นที่นี่บครั้งที่เราถ้าเราก็อวยาท่านอวยาท่านแล้วให้เราไปไปพอเ้าวันสิวันผ่นไไ่เห็นน้มาจะมายังไงวะปกติท่านไม่ค่อยถามมากใคร เป็นนิสัยท่านอย่างนั้นแะแต่รับเรารี่สุกท่านจะไม่ตาเป็นพเศษท่านหาไม่เห็นมานะต่ น, นี้หาทุจริตาว้วยวอยิ่งหว่ห า, า, ว า, หวานั่งฟังด้หาทุจราตด้วยควาย่งห่มาทีเราก็ลาสานเอดนอดนมาเอดอไม่มีความมุ่งหมายอะยไรนะแต่ไม่ท่านทานราบมาหาอาหารอะไร อ, า, อาหารยาวท่านเคยตดอะไรท่านถูกท้ากับขันของท่านอะไรอะไรเราจับได้หมด เวลามาเนี่ยเราก็หาคว้านเอาตา่างอระยาดยูเขาหาจัดให้ให้ได้เต็มใจของเราแล้วเราก็ไปถ้าเรานานไปบ้างเฮ้ยนี่จะหาตา๊ดโดนไปอะไรนะนานมาเป็นสมุขชดใช้ชดขวายอยู่ไหน่ะเข้าะไรแล้วก็ดุหมูกออหหมุกรวแข้งแข้งคออีกเยอะเนี่ยมาเพลินดุหมูดวุวัวแล เธอ น, น้ำแกงเยอะหังแ ล, แล้วความจริงท่านเห็นเราเมื่อไหร่เราเคยทําเราทำเมื่อไหร่ทีไปชดน้ำต้นนี้ท่านอาจารย์มันหนไม่เคยมีเท่านทำไมทาถึงพูดอย่างนี้ถ้าไม่ตีน้ำผ า, า พ, พวกมันเก่งๆมันมีน mm hmm. อยู่นะพวกพิเภกยูใ ห, หม่มันก็จะเรืเร า, า mm hmm. พูดอยู่เก่าก่าตางมันไม่ท่านทำไมว่าทานจึงหน้าอุบาท่านมีหลายเนี่ยหลายประทงพี่จะให้มาคิดมันไม่ยอมคิดนาผู้ไม่ยอมคิดอยู่กับท่านมันก็ไม่คิด Mm hmm. เออไม่ทราบเป็นไงหัวใจเราท่านว่างนี่เลยนะที่ชดช้อนอะไรเนี่ยมันขวางทันทีทันวันีมันขวา ง, า ง, วาวาง ช, ดชดช้อนในบาดตักชั้นบาดชั้นในบาดด้วยช้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นมันช้ำไม่เป็ น, นท่านว่างนี้นะมันขวางขึ้นม า, ท, าทันทีเลยเนี่ก็คือสอนพวกเรานั่นเองจะว่าไรปกติทั้งก็ไม่ทำจริง แต่เมื่อสั้นแย่ชราเต็มที่โรกภัยไข้เก็บหนักเข้าหนักเข้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่นี่ถ้าไม่บาดก็จะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แน่ที่นี่เมื่อมันเพียบกวแล้วประจำเป็นอันนี้เพรานั้นมาให้สั้นชดบ้างเราเป็นคนพูดเองเราเป็นคนทําเองอเหมือนก็ว่าเราประกันท่านไว้เลยบางทีก็ผมเถียงกันยุ่งเหมือัน เวาลานี่เป็นเวลาจำเป็นของครูบาอาจารย์ก็ไม่ทำแบบนี้บ้างจะจะทำได้จะได้ไงขอโทใครจะมายึดเอาของเนี่ยมันยึดไปเหมือนจากตัลเรกเราวิจิกันไปศึกษาหัหนวกตาบทอะไรนีว่างนี่น อ, อ, อนันดีนกตกตลลอันดีก็สอนเอาพอพอเต็มกสิธิกาลังของครูบาอาจารย์แล้วนี่เวลานี่จะตายอยู่แล้วนี่แล้วหย่อผนผอนพันตามภท่สังขาร น, นี่มันจะมายึดขันยึดไปว่างนี่เอานี้แล้วผมขอท่านผ่อนันท่านแนละ้วพูดอลไนนี้กัน ผมเป็นนี่แต่อย่างนี้นะเวลาจะตโตกับท่านอาารยมั่นก็ช้เล่นกันนานนี่นะท่า น, นก็รู้ถึงเมตตานั่นแหละแล้วเอากินก็จังกับท่านอาจารย์มั่มนกีงทีโต <c oughs> ท่านก่เคยเห็นถื อ, แ ล, อลแล้วกับเรามีหลายอย่างนะก็ะรงที่สนามอุบายนิดเดียวอาหารนี่ก็ท่านอาจารยมั่นปกติท่านไม่ค่อยจะรับไม่อยากจะให้รับของเขาตามมาท่านเคย นานๆท่านเทื่อ <helps> ท <with these waren> huh ีห huh นึงหน้าท่านเพื่อทีหนึงเนี่ยฟังอี่ยาแสงท่านเหงนท่านกลัวว่าพระจะดึงธูดลงมาท่านว่าโยมเฮ้ยยาใส่บาตร้ยแล้วแล้วนยมาตามมาสมมาญาสมัตหวานนานว่ามีมีน้องผือท่านที่เดินก็ไม่มีคามาเข้าไปเกี่ยวข้องมันไกลแสงการทางตั้งห้าร้ถ้าเดินตัดนะถ้าเดินตัดทางโค้งก้อมเขากันหกร้อยเช้น มีแต่พวกนั้นมาทำบาตรัม่มีผู้อื่นมาคือยกว่าผลส น, นเสริมผเตอร์ท่านพูดองนั้นก็สะดวกเป็นความดีมี้ผู้อื่นเข้ามายุ่งเหยื่วุ่นวายเข้ามามก็เป็นอีกอย่างนี้น <c oughs> เรื่องท่านจันมันนี่ยืดหน้าให้หมู่เพื่อนได้เห็นมันเป็นแบบบาสสอน สันสันนี่สันสันไปพิจารณาแล้วทั้งนั้นบาทถ้าอยู่บนเชิงบาทเวลาเราเราออกจากที่มัดมัดเชิงบาทแล้วมันตกได้ง่ายอารมณ์วางมันไม่ตกถ้าอยู่บนเชิงบาทมันตกง่ายแล้วมันก็มีพยายนอีกด้วยจริงนีเราก็เห็นอยู่กับท่านฮพระเอาแล้วบาทวางไว้บนเชิงบาทบาทีทททท่ออกจากที่มัดแล้ว มากรรมะผ่าหลายองค์นี่ยองนั้นเดินมาท่านงค์นี้เมาที่นี่ก็พอดีมาเขียนนี่ก็ทิ้งโต๊ะเพรว่าเอาลงนอุ่มั้นเห็นต่อหน้าตอตาตกลงดินนั่นนะบาดลูกนั้นบาดลูกวางไม่เชิงนมันเป็นพยานอย่างชัดเจนนี่ท่านคิดนี่ถูกตั้งที่สุดเลยยอมรับทันทีมันเป็นพยานเห็นแล้วเนี่ยผมเห็นด้วตามผมการนั่นนั่นพิจารณาธรรมดาเป็นพิจารณา ลึกซึ้งจริงๆและอย่างเราออกมาทุกสงทกอย่างเนี่ยถึงจะเรื่องแปลกๆที่น่าพูดที่นี่นะมาเกี่ยวข้อกับท่องอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังยิ่งบินทบาทมาได้น้าอ้อยงบเขาหออย่างดีมาเวลามาแกะออกมาบอกเออน้ำอ้อยน้ำมันสะอาดนะไม่ไม่เปื้อนอะไรให้ไปเก็บไว้ฉันในรายการก็ได้ปมา เภาพที่ประยุทใหม่ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าโอ้ทำไมสามารถมาเป็นผู้กเพก่งขั้นในพระิ น, นและนําอ้อยที่เขาสบังมาแล้วเอาฉันตอนเียวิการนอยากยิ้พระวินัยมีสองประเภทพระวินัยอธิบายไว้วงห่งว่าเมื่ออะไรที่รับประทนพร้อมกับอาหารแล้วก็เป็นไปตามอายุอาหารอันนี้พูดคุ้มพูมาไว้ แลนแยกไว้พูดว่าการลิกและคนกัน น, น่นติชาติเด่นการลิคและคนกันแต่การลิคอนุญาตที่มารับคนกันกับอาามิตหรือาอาวุธชันแล้วก็เป็นไปตามอาวุธชันส่วนน้ำตาลเอาะสมกับข้าแล้วมันก็เป็นไปตามข้าไม่เสียใช้เที่ยงการลิคและคนมันก็เป็นอย่างนั้นผู้นั้นไม่เห็นนั่นสิไม่เห็นพระยนตร์กว่านี้ ว่าตกกลคืนมาท่านพิจารณาไม่ชราบนะแต่รู้นะตอนเช้ามาเออใครว่ า, าเนี่เอะไรนะความจริงท่านรู้ตัวแล้วท่านมาพูดอย่างนั้นเพื่อให้ได้พิจรารณาให้ผู้นั้นมีได้สติได้พิจารณาทบทวนคืนนี้อืมในเช้าวันนี้ มีใครม า, มาวชเ ด, ดียวอชลาตัวไอ้เท่าอะนะ้อยเท่าไทยมันโะง่นะไ ม, ไม่รู้ทำรู้วินัยอะไรแหละท่านก็บัญญายไปนี่ยพอให้จับได้มหนะึงน้ำอ่อยน้ำตากพูดทันระบุออกไปนะน้ำไม่ชัดลนะ คืนวันนี้จะเอาอีกนะคืนวันนี้จะเอาอีกกันเนดะี๋ยพี่นาอีกนะมันเห็นจะชัดตัวจำขังานานมะันคือยกโทษ ท, ท, ท่านท่านเวลาท่านไาวาคืนนั้ดเจนมีพอจะเ้าวันหลังมา ก, กยังไม่ถึงเช้าวันหลังเยเห็นโทษเละขอกขามาโทษท น, น, นันก็เลยไม่ว่าลวนะเลยนั่นเบี่ยงั่น รู้ได้ขนาดนั้นที่ผมเขียนในเรื่องบุหรี่ราไกม่มันน่าจะจรรไปไปเลยนี่เห็นต่อหน้าต่อตาผมยืนด้วยเหรนี่มันชัดเจนจะเาเหตุเอาผลมาจากไหนทําไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านรู้ภารยาจริงๆไม่มีทางอื่นเลยมันบอกชัดๆ อ, อยู่แล้วาโยมก็เก็บไว้ตามภาษีภาษางเขา ไม่พระเน้นท่างก็ไม่เคยสนใจล่ะเรื่องการเงินการทองในหลวงถือเท่าที่รู้สังเกตดูนะพรายอยงเขาเวลอเขามาถวายแล้วเขาเก็บว้่ะคขาถวายงไหนเขาเก็บตามธรรมดาของอเขาพ ร, ราเนท่านก็ไม่เคยสนใจล่ะในเวลาพระเน้นท่า น, น, น, านต้องการถือเงินนี่น เ, นเขาประจับซื้อมาให้มาเอาที่ธนัานาอาอพระเนาะต่างเขซื้อนี่มาที่บุรี่กะไก่นี่ ม า, ม า, ลาแล้วก็ไปวางไว้ที่กลองบุหรี่ท่านกับกลองหมากมีด้วยกันมุมเก่าที่แล้วทันตีอะไรต้อง้อะไต้องลำพ้อยพอติดน้ำน้ำฉาแนาหมอน้ำร้อนตงน้ที่กระดานนั้นก็นมีกลองบุหรี่มีกลองหมากนั่นทันใเข้าไปห้องด้วย ท่นก็ห้องท่านเฉยทำไมพิสูจไม่ไมชันหม่ท่านสั่งพสูจสนจ์ใ้เราฉยที่นี่พอตอนชาติทารแล้วก็ขึ้นไปเอาบุห ร, รี่ไปวางก็ไปถงนั่นแ่ะท่านก็ไปว่า ไ, าไรทา่านก็คยมาเฉยเช้าวันหนังนาทีนั่นเปนพิจารณาพอขึ้นไปปุ๊กอย่างนี้องนั่นก็ขึ้นไป ข, ขึ้นไปปุ๊นี่เอาไปบุหรี่นี่ของลายเจ้าไป็นพสูจ วางนั้นเลยนะผู้จําเด็กด้วยนะอืมของบุตรีนี่เอาไปของหลายเจ้าไม่บริสุทธิ์เท่าไท่านั้นก็ขึ้นแล้วตอบท่านข้ามท่านว่าโไม่ใช่ของหลายเจ้าเขาผมเป็นคนสั่งมาโดยเฉพาะมาต่อมาแม็กซ์บายทานหินงเราเนี่นยหัวใจเคยสูญบ่อยๆนั้นแหละของหลาเจ้ารีบเอาไปมันไม่บริสุทธิ์เอาไปเหนยวหนี่นั่นที่เนเี่ยเร่งเลยนะอืมมันไม่บริสุทธิ์ของหลายเจ้า น่เอาเลยนะพี่นดุเตี่ยงเตี่ยงเลยตกลงเรต้องได้ออกไปไม่ทราบจะทํำไงกาเรียนตั้งขนาดนั้าท่าไม่ยอมฟังเพราะคําจริงเต็มหัวใจท่านแล้วพอลงมาแล้วท่านนั่งกับพี่นี่ก็พยายามเยาะเย้ถามโยงนะพี่นี่ไม่ให้ทราบเรื่องนี้นะเป็นเรื่องว่าถามโยมที่เอาปจายซื้อกล่องบุรีกาไก่นะกัะมานี้ เรื่องเอาของอาตมาเราจะอยเรืองมีขององค์ไหนบ้างเนี่โอ้ยของหลายองค์นานไหนนะเขาไม่รู้เรื่องนะเนือพื้ามเนี่ยท่านท่านไม่ได้เกียว่านจัดั่เนเขารู้นะครูบาอาจารย์มีหลายองค์ท่านต้องการนั้นต้องการนี่กอนที่นีเวลาปัจจัยของท่านนั้นของท่านนี้เหลือผมไปรวมมาซื้อมาถวายอาจารย์มาถวายอาจารย์ใช่อาจารย์นี้แหละของสุบินมา ท้านั่นแหละเป็นอะไราได้ความเข้าใจโต้โ ต, ต้ตาเป็นอย่างไรว่าจริวองค์ไหนบ้างอะไรถามคือองค์นั้นองค์นี้อะไร อ, อ, องค์ไหนบ้างที่สั่งเมื่อวานนี้ที่สั่งไปเมื่อวนันศุ่ยนั่นหรอหรือวนันศุ่ยนั้นเตเมื่อวานนี้ของไปจวายท่านท่านบุกแล้วก็ออกมาเดือไปให้ท่านักวันนั้นแล้วคืนนั่งกับพีา วันนังวันดูบอกให้ปากคูดเหนเด็กโยมมาถามมันนั้นเขาก็เล่าองคนั้น <ain> หน oh ba, ึ่งงนั <measurable> <is> ้นหนึ oh ่ง oh ูตตาหนึ oh ่งในใจถามว่า oh พูดนะเอเท่า oh นั oh ้นละถามไม่ใช่ละวางนั่นเนี่ยพอ้ก็พับอท้านั้นพับเท้านี้ไปพูดเรื่องราวให้ฟังตามเรื่องแต่ต่างองค์ก็ตามมีความเรื่อมใสต่อครูบาอาจารย์วายอยู่แล้วใครจะขัดจะคล้องจคัดค้านที่ไหนมีได้ที่ไหนโอ้โหทางนี้แอนี โอ้ยดีเลดีบหมดแล้วยังไปถวายท่านก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้เลยนะใรก็ไม่รู้ว่าอะไรแลู้โอ้ยไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอายก็ประกาศเรียนท่านตามเรื่องความจริงนั่นถูกต้องอย่างครูอาจารย์ผ่ามุหวานี้อเหนมีของเสร็จแล้วพวั้นก็ม่วนพวกนเราก็รวมมามาซื้อเลยเป็นของราชเจ้าต่างครูอาจารย์ว่าถูกต้องที่นี่มรรดาข้าถาท่านพอใจแล้วได้ แต่้ท่านฟังท่านเข้าเข้าใจแล้วพอใจโมทุกองพร้อมกันพร้อมหน้ากันด้วยจทตาจถวายคูบาอาจารย์ให้เมตาาตไมไไาไม่ไว่าผู้นั้นไม่ว่าอะไรเลยท่านไม่ว่าอะไรแล้วท่านสุกจนหมดนะผมดูขนาดนันนะไม่มีใครไปแ ต, ตะท่นานประพันธ์ลมีแตบ้านวันะมวนสองมวนึ่นตามจิตใจตอนเท้าก็สุกก็หมหนึ่ง ตอนบา่ายพระสมุนเวลาออกจากที่มาถูงสมุนตอนเท่าหมากักสักคำานึงตอนต่างหาาันนะนอกจกมีแขกมาท่านก็ฉันหมากบ้างตอนนี้มีพระต่งหมักถวายบ้างถ้ามีแขกกําลบ้างคือเพิ่มบ้างท่านฉันหมกคุยสักแถบบ้างถ้าไม่มีก็ตอนตอนังหันแล้วท่านจะฉันหมากทำบุญมนหมนนะครับ พอตอนบ่ายสองโมงท่านออกไปขี่มานั่งกับสุบรีนั่งฉันน้าน้อนนอสุบรีฉันม า, าคุยกับพระอะไรตท่านันพอตอนั่งกับสามโมงก็ลงปัดกวาดสามโมงว่าก็ลมปัดกว า, ส า, วาดสแล้วสูงน้ำกองทาขึ้นมาท่านก็ระสูดตอนนั้นน่งน้ ทันเลยผนตอนนั้นวันนี้พอจะนั่งผันลงโดยมันคมขึ้นมาวัอีกคังึงมีีว่าละล่ะตอนขึ้นจะทางคมหน้าผ้าหนึ่งกะขึ้นไปทยายยขึ้นไปธรรมดาตามบรยากถ้ามัใช้วันประจุนีขึ้นไปวั น, น, น3 5. โห์ม4โ์มเีน่ามีแต่ผาที่ไปคิดกันขึ้นไปตอนตังหนันแล้วหนึ่งตอนข้ามานัน ทั camp, no ้งหมากไม่ีก่อนจะหันไม่มีทั้งบุหรี่ทั้งหมากไม่มีเลยครัไม่เคยเห็นมันต่หันแล้วมันมีหมากหุนหนึ่งทั้งหมากทั้งบุหรตอนบ่ายสองก็ทั้งหมามีหุ่นหนึ่งมแล้วกตอนห้ามงเย็นมีหุนหนึ่งตอนเในกรมขึ้นมามืดอขึ้นมาห่นหนึ่งก็รู้่ามีสิทธิ์้าบุหรี่ก็สิทธิ์ทั้งหมาก็สิทธิ์คำปกติ ไม่เลย น, นะถ้ามีเกล็ดแทกเขามาในตอนในตำแหน่งอาจมีเพิ่มบ้างเ็ตนนมามเวลาดูเกลต้องมีผ้ามานั่นนตมมาา ง, ต, ามมา <laughs> งต่ำหมากฝอยยาื่นม า, าทั้งมทั้น่ท่านบอกตามตามาไม่ฉันลุ้นไหว่ามีนี่ปนปกติที่ใสของท่านอาจารย์มาพยายามยึดมา่อไปบอจะว่าเป็นตาเป็นเกื่อนล้าก็ช่างใครเจอ ลงท่านอาามันเป็นตายเป็นเดินแล้วไม่มีใครอะไรจะเป็นทองคาตั้งแท่มาแข่งท่นเพราว่านี้แล้วพอพอใจเราวบาปอันอ น, อนี้มันกันก่อนตอนแรกก็จะไม่บอกพระบอกนนอาวา่าตอนันกห น, น่อยเวางตามทน่านวาถูกต้องตกดูเหุ้ผลองท่านด้วยการพูจารลาด้วยก็คงจะมีอย่างนั้นเพราะท่านพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าบาปถ้าอยู่เชิงบาป มัดติดกันไว้เขาจะมีปัญหาทันทีถ้าออกจากที่มัดติดกันแล้วเอามาวางนี่ตกได้ง่ายตรงนี้นิดหนึ่งก็เสียบาตรเฉพาะบางอะไรบ้างอเพราะตะกรันบานนี้จะบาดระบมทั้งนั้นนี่ระบมแชดล้มแชดตายทุกวันนี่มันเป็นบาตอะไรไปเยอะเลยแต่เราก็พิจารณาคํานึงถึงบาตรคำบาตรนี้น น, น ท, ทนี่น่านะมันควรอารมกับปิดตามเพราะการระบมบาต มันก็ระวงตัวกันเป็นอันนี้มันไม่มีเสถนิีกแล้วแล้วก็เป็นบาดเหล็กแล้วก็พินายก็ไม่ขัดกับพิณา่าบาทดินบาทดินหนึ่งบาทเล็กหนึ่งใช่สองอย่างบาตที่เบ็ดอย่างนี้อะไรที่ห้ามใช้ก็มีอยู่แล้วอันนี้บาทที่ตรงอนุญาตบาทเหล็กเล็กนี้ก็เป็นเสถด้าเสนิพนธ์มอไม่ระบมก็ไม่มีอะไรขัดข้องทางพินายเพราะการระวงก็เพื่อกันเสถียรเมื่อไม่มีชสิียรเลยแล้ ไม่ใชป็ปัญหาเราเทียบเทียบมนกนันเป็นบานหลด้วยก็อยเอาบาดินมาทชก็ได้เพรอะว่าพิจารณาแล้วเราเป็นไงเราโดมต่างนีนค่คิดอะไรมันต้องลัาถือเราทำเราไว้ไหนไว้เสมอนมากิกาการงานอะไรปัดเป็นการเวลาปัดกวาดอะไรอะไรก่น า, านวัดก่อนพยายามวัดษารลานวัด ยาปกกวาศับแต่ว่าปวดให้แล้งมือเฉยๆ่าพักแต่ว่าทำมนั้นใช่ไม่ได้เราปฏิบัติลานนักทําทอะไรอะไรก็ตามเราทําเพื่อเราเพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่ อ, พอเพื่อธรรมฝึกสติภายในนั้นเสร็จความวัดปฏิบัติก็หน้าสติก็ดีฝึกหาเจ้าของอย่างเป็นคนหลักลอยจับจดเป็นคนจริงจังทําอะไรให้มีสติเป็นตัง วความพรวอมเพื่อนสามัคคีกันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นปึกแผ่นแน่นหน า, น า, นานและเป็นความออุ่นคือความสามัคคีสมั่งให้เป็นความออุ่นการ <_ cat> จะพูดต่อกันในแง่ใดก็ตามยานี้หลักเหตุผลคือธรรมพูดอะไรก็ให้ลงในหลักธรรมเป็นที่ยุติธรรมใหญ่มากเราไม่ได้ใหญ่ เราจะเรียนรู้มามากน้อยมาได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เลยทีย่ทำูตสังใจมาศึกษาอบรมธรรมะเข้าสู่ใจตัวเองต้องเคารพธรรมเคารพเหตุผลเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเรามีเหมือมีเพื่อนถูงต่างคนต่างมุ่งมาเพื่อเพื่อทำด้วยกันให้เลงเห็นอัจยาสายใจคอองกันละกันเมอเลี้งเห็นใจซึ่งกันละกันอย่าให้มีทิฏฐิมรณนะเป็นเครื่องโดนกัน ด้วยความบวช ด, ดีบวชเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของที่เหล็วล้วนๆอย่ า, อามาขายต่อหมู่ต่อคณะจะเป็นความเร็วตามที่สุดสําหรับภูนั้นไม่ใช่ของดีสิ่งนี้เราพยายามทำละมันอยู่แล้วทุกวันอย่าเลี้ยงมันอย่าเอาเนาะออกหน้าออกตาขายจากตลาดในหมู่คณะให้เหี่ยวเป็นขนัดซึ่งเป็นความเสียหายมากมายและเป็นความเร็วอย่างดูไม่ได้เลยไม่น่าให้อภยัย เป็นที่หมักกลับมาก็ให้ดิบแต่ทำอะไรก็ให้ดีบตกักวิวันอะไรก็ให้เสร็จแล้วขึ้นมาช่วยงานนั้นงานนี้คนนั้นได้สิ่ง น, นั้นคนนี้ได้สิ่งนี้จะช่วยกันทําำผู้ทาแคบต่มแคบตามือเป็นวัดเป็นไอไปหมดผู้ไม่ได้เรื่องในราก็มีอย่างนั้นอย่าให้มีดูนะผู้ทาก่อนทํายังไงง่ายให้สังเกตดูความคิดมีมาศึกษาตาก็ดูหูออกตัง มีทำช่วยกันอะไรเสร็จก็ใเสร็จไปอย่าสับแต่ว่ า, าแล้วท่านจะทำนู่นนั่นจะทำอนนี้จะทําเราเอาใบดลีไปเสียเข้าใจว่าตนปัญญาดีนั่นคือคนปัญญาตามความเห็นแก่ตัวไปอยู่ก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรนะไปวัดไปไปอยู่ที่ภาคไปถ้าไปแบบนี้นเพราะไม่ใช่ทําเป็นความเห็นแก่ตัวยอกนะถึงมีแตความขี้เกียจ จากนี้ให้ธรรม ญ, ญาพุ่นสมุพุ่นฟังอยู่า็หน้ลองพูดอะไรบ้าง